ลำดับที่หนึ่งคติธรรมก่อนฟังธรรมแผ่นที่52โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีคติธรรมก่อนฟังเ p 3แผ่นที่52ให้คติธรรมว่าความทุกข์เสมอด้วยขันไม่มี คำว่าขันคำนี้ก็คือขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคำว่าทุกเสมอด้วยขันไม่มีในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้นำมาเผยแผ่ขยายผลคือร่างกายตั้งแต่ตาหูจมูกลิ้นกายหรือว่าเกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจนัง หรือว่าอาการ3 2ของร่างกายอันนี้เรียกว่าขันคือขันขันขันทะแปลว่ารูปประขันร่างกายของเรารูปประขันรูปประขันคานี้ถ้าหากว่าเราอยู่ไปนานๆอายุแป90ปีเป็นพาลาฮาเวปัญจากขันธาขันทั้งห้าคือเป็นภาระหนักขันห้าเป็นภาระหนักมาก อย่างคุณแม่จีแก้วท่านบอกว่าความทุกข์เสมอด้วยความเท่าความฉลาไม่มีในเมื่อเท่าแก่ฉลาช่วยตนเองไม่ได้จะเดินเหินไปที่ไหนก็ต้องให้เขาพยุงหรือให้เขาหามไปเข้าห้องน้ำห้องทาช่วยตนเองไม่ได้แต่ตนเองรู้หมดทุกอย่างว่าจะไปที่ไหนอย่างไรแต่ว่าช่วยตนเองไม่ได้ ต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นท่านจึงว่าทุกเสมอด้วยความแก่ไม่มีฮะอันนี้ก็คือถ้าหาว่าพวกเราท่านทั้งหลายเป็นคนแก่ขึ้นมาเมื่อไหรเมื่อนั้นพวกเราจะรู้ได้ว่าความทุกขอย่างที่ท่านได้พูดนี้เป็นอย่างไรอ่าพอยนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายคําว่าจะทํำยังไงจึงจะไม่ทุกในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ พระพุทธเจ้าไปบําเพ็ญหนีออกจากความสุขที่พระ อ, องค์ได้สเสวย อ, อยู่นั่นหนีออกไปบําเพ็ญอยู่ในป่าถึง5้าปีถึง6ปีท่านจังได้ตรัสรู้ท่านรู้แนวทางมาแนะนำสั่งสอนพวกเราขอให้พวกเราฟัง mp 3แผ่นที่52นี้เข้าไปฟังเข้าไปแล้วพวกเราจะรู้ได้ว่าวิธีการที่จะหนีจาก ความทุกข์ของขันเนีจะหนีด้วยวิธีอย่างไรพิจารณาอย่างไรเอาทำจิตใจอย่างไรจิตใจของเราจะยกสูงระดับเป็นระดับขึ้นไปจนพ้นทุกข์ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร MP3 5 2แผนนี้คิดว่าคงมีกติธรรมอยู่ในนั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายตั้งใจฟังแล้วจะเกิดความรู้ความเข้าใจ ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่มากก็น้อยด้วยอํานาจคุณพระศีรัตนไตรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดบุญบา ร, รมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาทั้งหลายขอให้คุ้มครองลูกหลานทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งคดีโลกและคดีธรรม